พระธรรมเทศนาแผ่นที่49าลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่21เมษายน2556มีชื่อเรื่องว่าเอาของไม่ดีมาแต่จะเอาของดีไป วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนพุทธศักราชสอง6ห้า้อยห้าสิบหกวันนี้รู้สึกว่าสัตยาญาติยมอุ่นนาฝาข้างแล้วก็พระอยู่บนศาลาของพวกเราทั้งหมดสี่สิบห้าโรคลงมาฉันสาสิบเก้าที่ลงไม่ลงมาฉันเพราะท่านอดอาหารท่านไม่ได้เกี่ยวข้องท่านจะอดอาหารภาวนาของท่านอันนี้ก็ ขันหดฉันกหกโรคสัมเนธไม่อยู่หนึ่งโรคนาคที่อยู่ทางซ้ายมือของหลวงพ่อเนี่ยที่ป่งผมใส่ชุดขาวที่จะบวชวันนี้สาสิบเอ็ดคนผ้าขาวหนึ่งคนรวมทั้งหมดที่หลวงพ่อประกาศมาทั้งหมดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดทั้งพระทั้งนาทั้งเนนทั้งตับพระขาวนะหมดเจ็ดสิบแปด แล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งที่พวกเราจะได้บวชอุปสมบทนาคตามโครงการโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราชสอง6ันห้าอห้าสิบหคือมีเจดสถาบันเจสถาบันคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รามคำแหงหองการค้าไทยจุฬาลงกรณ์ราชพัฒบ้านจมเดจเจ้าพระยามหาวิทยาลัยเสียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมระจิสถาบันที่ขออนุญาตจากหลวงพ่อตั้งแต่ต้นปีหลวงพ่อก็เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานต่อประเทศชาติหลวงพ่อกออ็เออเอารับแต่การการรับ นักศึกษาในครั้งนี้ทั้งเจ็ดสถาบันเนี่ยเป็นการรับครั้งแรกนะคณะสัตยาญาติโยมแต่ที่หลวงพ่อรับมหาวิทยาลัยมหิดลหรือนักศึกษาแพทย์ศิริราชหลวงพ่อรับมาเป็นแปปีเว้นวักหนึ่งปีถ้ารวมแล้วก็เก้าปีแต่เว้นวักเป็นหนึ่งปีที่หลวงพ่อรับแปดปีกับเพิ่งลาศิกขาไปเมื่อวานนี้สิบสอง อ่สิบสองนักศึกษาสิบสองนายแพทย์คือผู้ที่จะมาบวชก็คือผู้ทางเรียนแพทย์มาปีสามนะคือเรียนทางทฤษฎีสามปีแล้วก็ปีที่สี่เนี่ยเขาจะนำไปปฏิบัติเข้าเวรยามใช้ฉีดยาลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ผู้ที่จะบวชเขาก็ให้โอกาสสามปีแล้วก็บวชได้ น, นักศึกษาแพทย์ปีสาม ผมพ่อรับมาบวชเดือนกว่าเข้ามาแต่วันที่สิบหบวชวันที่ยี่สิบสี่ลาศิขาวันที่ยี่สิบเมื่อวานนี้แต่คณะเสถาบันนี้เข้ามาตั้งแต่วันที่สิบสองเข้ามาเตรียมนาแล้วก็จะบวชวันที่ยี่สิบเอ็ดและจะลาศิขาวันที่สิบแปดพฤษภาอันนี้ก็คือกลุ่ม ิสิหรือว่ากลุ่มคณะที่จะมาบวชที่พวกเราจะบวชในวันนี้หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นเจ้าของวัดก็มั่นใจว่าคณะผู้ที่จะเข้ามาบวชหรือว่ากลุ่มคณะที่คิดทำที่จะบวชลูกหลานเหล่านี้ก็คงจะคิดหาวัดหลายๆแห่งก็คงจะตกลง ปรงใจว่าอยากจะมาบวชที่วัดป่านาคำน้อยก็ได้มีจดหมายหลือกมาส่วนตัวอีกสองสาครั้งหลวงพ่อก็เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่ อ, อประเทศชาติต่อลูกหลาน อ, อย่างน้อยก็คงจะคณะกรรมการก็คงจะตรวจดูแล้วว่าวัดของหลวงพ่อคงจะเหมา ะ, ะในการที่จะบวชในคราวนี้เป็นการทดลองเพราะนั้น ทางนู้นก็เป็นการทดลองเหมือนกันหลวงพ่อก็ทดลองรับรับอีกเหมือนกันก็ไม่มั่นใจอีกเหมือนกันว่าติดจะแนะนําสั่งสอนคณะลูกหลานของพวกเราให้เป็นคนดีต่อไปภายภาคหน้าได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้หลวงพ่อก็รับถ้าเพราะทางนู้นก็คือความั่นใจที่มาทดลองดูที่วัดหลวงพ่อแต่หลวงพ่อรับแล้วหลวงพ่อก็คิดถึงอนาคตอีกเหมือนกัน ถ้าหากว่าพวกเราปฏิเสธต่างวัดก็ต่างปฏิเสธไม่รับลูกหลานเหล่านี้ที่จะบวชในพระพุทธศาสนาจะเป็นทายาทของพวกเราได้อย่างไรอันนี้หลวงพ่อคิดว่าเป็นทายาทนะทายาทของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้รับในคราวนี้ที่จะอบรมแนะนาสั่งสอนลูกหลานแต่ตาม่จริงที่อื่น ที่ท่านบวชที่อื่นกระบวตจะเป็นการจัดเป็นคอทคอทตีสี่ทําไงตีห้าทําไงหกโมงเช้าเป็นไงเจ็ดโมงเป็นยังไงสิบเอ็ดโมงทํายังไงบ่ายโมงทำยังไงเขาจะมีเป็นเวลาเวลาแต่ของหลวงพ่อนี่หลวงพ่อบอกไว้เลยว่าสายของหลวงปู่มั่นพวกเราเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านไม่ได้สอนเป็นคอทท่านสอนเป็น เปรียบเทียบกับมาหาวิทยาลัยเปิดอย่างรามคําแหงหรือสุขโขทัยธรรมธิราชอย่างนั้นแหละคือให้หนังสือไปแล้วก็ให้ข้อคิดไปแนะนําแล้วก็ให้ไปศึกษา เ, เสร็จแล้วถ้าข้องใจตรงไหนเข้ามาถามมาถามเสร็จแล้วก็จะมีการตรวจสอบออมีการสอบกันลักษณะนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางหลอดสําหรับลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่นหรือ ว, ว่าเป็นแนวทางของวัดของหลวงพ่อนี่ก็ลักษณะ อบรมบอกกล่าวแล้วก็แนะนาในการประพฤติปฏิบัติเข้ามาแล้วทำตัวยังไงเรื่องศีลเรื่องวินัยเป็นยังไงกิ จ, จวัตรอวัดเป็นยังไงกิริยามารยาทเป็นยังไงวินยัยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่พวกเราจะนำไปประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงความมุ่งมั่นของพระศาสนาจุด สูงสุดของพระพุทธศาสนาคืออะไรแนวทางแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นพาดำเนินนั้นท่านดำเนินอย่างไรหลวงพ่อก็จะแนะนำบอกกล่าวลูกหลานนี่ที่เข้ามาศึกษาในคราวนี้ครั้งนี้ตลอดถึงรับรองทั้งหมดการเป็นอยู่เจ็บไข้ใดป่วยอะไรทางวัดของเราก็เป็นผู้ดูแลเป็นผู้รับ ดูแลแต่บางท่านบางคนก็บอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใช่แต่พวกเราไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ทางวัดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเอ่อพอเหตุอะไรพอเราใช้น้ําหยดถึงลงไปเนี่ยคือใช้ไฟทั้งหมดไฟไม่ใช่ไฟฟรีเหมือนกันเออแต่ว่าอาหารก็เหมือนกันทุกอย่างอะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเปรียบเทียบก็ว่าเหมือนกับพวกเราเลี้ยงลูกของเราพวกเราเลี้ยงลูกตั้งแต่ เด็กชายคนนี้เด็กหญิงคนนี้ลูกของเราเกิดมาจนบรรลุนินติภาวะยี่สิบปีมีไหมพ่อแม่คนไหนที่จะบอกว่าลูกคนนี้ใช้เงินเท่านั้นค่าใช้ใจ่ายเท่านี้สิ้นเปลืองเท่านั้นมีพ่อแม่คนใดบ้างที่จะคิดอย่างนั้นหลวงพ่อมั่นใจว่าไม่มีเพราะเหตุไรเพราะรักลกูกยิ่งกว่าสมบัติที่หามาเลี้ยงลูกอันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อเนี่ยรับ ลูกศิษย์ลูกหาถึงจะมีอย่างไรลุงพ่อก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงแบ่งปันให้ทั่วถึงถ้าไม่เชื่อก็ถามลูกลูกหลานให้เขามาดูก็แล้วกันว่าลุงพ่อเนี่ย เ, เลี้ยงลูกศิษย์ของลุงพ่อเนี่ยอย่างไงต้องถามไถ่ยอยู่เสมอว่า เ, เป็นยังไงขาดเหลืออะไรไหมเจ็บไข้ได้ป่วยไหมอาหารการบริโภค พ, พอไหมน้ําปานะพอไหมเออหรือการเป็นอยู่เป็นยังไง มีความลำบากอะไรไหมหลวงพ่อจะต้องถามในฐานะที่ว่าเราเป็นผู้ปกครองและบราเป็นพ่อของบัตรนี่แหละตลอดถึงเจ็บไข้เดือบปวยทายังไงการอยู่ด้วยกันเวลากลางคืนอยู่ห่างไกลกันเวลาเจ็บไข้เดือบปวยทายังไงเวลาฟ้าตกฝนลงปฏิบัติตนอย่างไรหลวงพ่อจะพูดได้หมดแล้วก็ในวันนี้เมื่อบวชเสร็จแล้วหลวงพ่ออาจจะ คงจะมี MP3 ที่หลวงพ่อแนะนำบอกกล่าวอบรมลูกหลาน ก, ก็จะได้แจก MP3 แล้วก็คงจะมีหนังสือบ้างนะขอให้พวกคณะัาธาญาติโยมลูกหลานให้รอคอยรับและก็วันนี้เมื่อพระฉงอนุโมทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็คงจะลงไปทานอาหารข้างล่างพร้อมกันตามโรงทานก็มีนะอาหาร ที่จัดไว้ก็มีแต่ถึงยังไงขอบอกกับพวกคณะสัตยาญาติโยมที่เป็นศิษย์ที่เป็นคนของวัดหลวงพ่อวันนี้การบวชคงจะใช้เวลานานนะคงจะปร ะ, ประมาณบ่ายโมงถึงสองโมงไม่เสร็จอาจจะถึงบ่ายสามโมงวันนี้เพราะพระทั้งหมดมีอยู่สามสิบเอ็ดรูปเราจะบวชพระสามสิเอดรูปนะ เ, เกือบชั่วโมงนะแต่ละชุดนะ เ, เพราะนั้นอาหารทางในครัวก็จาเป็นนะ อาหารเที่ยงก็ขอให้เตรียงอาหารเที่ยงเลี้ยงญาติพี่น้องของนาคหรือญาติทุกคนนะถ้าใครหิวก็จัดเตรียมอาหารเลี้ยงพี่น้องคณะสัตยา ญ, ญาติโยมทุกหมู่เหล่าอาหารเที่ยงเตรียมเอาไว้นะในขณะที่พวกเราเข้าบวชนาะที่ฝากลูกหลานไว้ในพระพุทธศาสนาในคราวนี้ด้วยเรามาฝากทายาทไว้ในพระพุทธศาสนา เราก็มั่นใจว่าลูกหลานของเราเนี่ยเป็นคนดีกิริยามารยาทดีพอสมควรถึงเขามาฝากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองของบอกกล่าวตักเตือนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าเพราะเดียวนี้มันสื่อต่างๆประนามหรือว่าดูถูกพระพุทธศาสนาดูถูกดูถูกพระปูดง่ายๆบางคนก็ว่าเห็นพระไม่อยากจะเข้าวัดเพราะการกระทําของพระ ไม่น่าเลื่อมใสไม่น่านับถือเลื่อมใสแต่ตามที่จริงหลวงพ่อให้ย้อนไปหาพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่พวกเราท่านทั้งหลายจะนำลูกหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาพวกเราจะคิดดีหรื อ, อยังว่าลูกหลานของเราคนนี้นิสัยดีมารยาทดีตั้งแต่เด็กเออขึ้นมาแล้วเด็กคนนี้หละลูกหลานเราคนนี้หละจะเข้ามาบวชในพุทธศาสนาจะเป็นที่เคารพกราบไหว้ของตระกูลเรา ตระ ก, กูลของเราจะได้กราบได้ไหว้สมณเณรองค์นี้พระองค์นี้ที่เป็นลูกหลานของเราเพราะเขานิสัยดีแล้วเอานำเข้ามาบวชพอเขามาบวชแล้ว อ, ออกนอกลูก่นอกทางเป็นคนไม่ดีทีนึงเกเรไปหมดเป็นนักเลงหัวไม้ไปหมดอันนั้นจำหนิพระพุทธศ า, าสนาได้ว่าพระพุทธศาสนาเราเอาลูกหลานของเราดีๆเข้ามาเข้ามาปลูกฝังเข้าไปไเสียคนทั้งหมดเลย อันนี้หน้าประนามนะแต่ถ้าหากว่าพวกเราลูกหลานของเราเหลือขออยู่แล้วเอเหลือขออยู่แล้วตอนนี้ก็มาจับยัดมาบวชให้พุทธศาสนาพ่อบวชเสร็จแล้วก็โยนเข้าวัดเหมือนกับตัดทางปล่อยวัดลักษณะอย่างนั้น่ะอแหล อ, อแล้วก็เพ่นนี้สนี่ยแล้วทีนี้ลูกหลานของเราก็ไม่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ฝึกหัดดัดนิสัย ไม่ได้มาขัดเกลารเทีานี้ออกมากออกลวดลายในพระพุทธศาสนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นจากนั้นพวกเราก็ประ น, นามพระสงฆ์พระสงฆ์อย่างนั้นพระอย่างนี้พระอย่างนี้พระอย่างนั้นเออแต่หลวงพ่อในฐานะพระหลวงพ่อกลัวลูกหลานพูดอย่างนี้ไม่น่าจะถูกนะเพราะเหตุใดเพราะว่าพ่อลูกหลานที่เข้ามานะในบวชในพุทธศาสนาน่าจะสืบสอบว่าพระองค์นี้ มาจากสกุลไหนนามสกุลอะไรแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคนดีไหมหรือเป็นคนเลวเป็นนักเลงหัวไม้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานพี่น้องเอาไมา่อยู่แล้วจึงตัดถางปล่อยวัดเข้ามาแล้วเขามาเสียหายในวัดน่าจะประนามหรือบอกกล่าวว่าไม่น่าจะเอาลูกหลานเช่นนี้มาบวชในพระพุทธศาสนาทําให้เสียหายทําให้มัวหมอง ก็น่าจะตำหนิอย่างนั้นจะถูกกว่าะหลวงพ่อว่านะแต่ถ้าไม่ตำหนิก็หยุดอย่าพูดแล้วก็ช่วยช่วยกันประคับประคองช่วยชยกันแก้ไขจะดีกว่าไม่ใช่ว่าเอาประจานทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างนั้นหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะหลวงพ่อไม่เห็นด้วยในฐานะพระน ะ, ะแล้วก็วันนี้พวกเราก็จะได้บวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาทั้งหมดมีอยู่สาออย่างที่หลวงพ่อได้กล่าว แล้วก็พร้อมกันคณะศรัทธาญาติโยมที่เป็นญาติของนาคที่จะบวชบางคนก็ดังคิดอยู่ในใจว่าเอ๊เมื่อเราบวชเข้ามาแล้วอัฐบริขารทางวัดหรือทางชมรมก็ได้เตรียมให้พร้อมแล้วเรื่องอัฐบริขารเพราะว่าการบวชเนี่ยเมื่อต้องบริขาตรต้องพร้อมอถ้าไม่พร้อมมันบวชไม่ไดเ้เพราะต้องพร้อม เสร็จแล้วไม่ใช่จืมเข้ามาไม่ใช่เช่าเข้ามาไปว่าเป็นของส่วนตัวแท้ๆเป็นอัฐาบริคารบริขาร8อัฐาแปลว่า8นะบริขาร8ของพระอ่ทีนี้พวกเราก็เตรียมพร้อมไว้แล้วขอไม่มีปัญหาแต่ส่วนจจตุปัจจัยแต่ละนาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอยากจะทำบุญคราวนี้พวกเราได้เอาลูกหลานบวชในพระพุทธศาสนาตระกูลของเราก่อนนานแล้วไม่ได้บวช แต่คราวนี้เอาบวชในพทุทธศาสนาเป็นบวชเป็นพระกรรมฐานาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเป็นพระกรรมฐานอย่างพวกเรามาเห็นป่ารงพงภพยอย่างนี้หละลูกหลานจะได้บวชพวกเราจะมีร่วมกันจะถวายจะตุปปัจจัยถวายพระใหม่ใช้ในงานบวชของพระใหม่เราเท่าไหร่ก็ให้ชดใายญาติโยมรวมกันเอาปัจจัยรวมกัน เ, เสร็จแล้ว เมื่อรวมกันแล้วก็ถวายถวายใบประวรณาหลวงพ่อก็ได้นะเพรหลวงพ่อในฐานะเจ้าของเจ้าของกิจกรรมในเมื่อหลวงพ่อว่าเออนากนี้ถวายปัจจัยเท่านี้เท่านี้เท่านี้นี่รวมกันแต่ในหลวงพ่อได้ปัจจัยส่วนรวมแล้วหลวงพ่อก็จะแบ่งถวายพระอุปชา อ, อุปชาเท่าไหร่อาจารย์อุตรว่เท่าไหร่แล้วก็จํานวนที่เหลือก็เป็นของวัด เป็นของของพระใหม่ของวัดเพื่อจะได้ดูแลค่าอาหารบั่งข่าน้ําข่าวไฟค่าเจ็บไข้ได้ป่วยภายในวัดมันต้องมีอันนี้เขาขอบอกกล่าวให้แก่กณัตถา ญ, ญาติโยมไม่ต้องสงสัยว่าเอจะถวายยังไงถวายอุปชายยังไงอาจารย์สวดยังไงถวายเป็นส่วนกลางไว้แล้วก็เดี๋ยวหลวงพ่อจะจัดการถวายพระอุปชาพระอาจารย์แล้วก็พระที่องค์ที่เกี่ยวข้องเท่าเท่าไหร่ อันนี้เป็นหลวงพ่อจะเป็นผู้จัดการเพราะนั้นขอให้บอกกล่าวให้คณะทศัทา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าในเมื่อบวชอุปสมบทเสร็จเรียบร้อยแล้วเอถ้าว่ายังไม่ค่ําเกินไปนะอก็จะให้คณะทศัทา ญ, ญาติโยมผู้ที่เป็นพ่อแม่ของนาคปู่ย่าตายายของนาคจะเข้าไปดูสถานที่ของพระใหม่อยู่ก็ได้นะ พอเปิดโอกาสวันนี้เพราะว่าเรามาพบมาเจอแล้วมาเห็นสถานที่แห่งนี้แล้วก็พระมาบวชอยู่ที่นี่แล้วก็เข้าไปดูได้แต่ถ้าหาว่าวันต่อไปไม่ให้เข้าไปนะทีนี่ให้เข้าไปเพียงวันเดียวเท่านี้แหละแต่ต่อไปถ้าพวกญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมก็ให้มาพบกันที่ศาลาไม่ให้เข้าไปข้างในเพราะว่าเป็นเข้าไปข้างในเดี๋ยวกุมนั้นเข้าไปกุมนี้เข้าไป เป็นการยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในวัดเพราะวัดของเราจะขาดความสงบอย่างมากทาาว่าพี่น้องของพระใหม่เข้าไปคุยกันอยู่ที่กุฏิขโมงโขงเขงเี่ยเพราะนั้นเสียเสียกฎระเบียบของวัดเพราะนั้นไม่ให้เข้าไปแต่วันนี้เปิดโอกาสให้คณะสัตายาญาติโยมพ่อแม่ลูกหลานเข้าไปที่กุฏิพระพระใหม่ได้แต่วันอื่นๆไม่ให้เข้าไปไม่ว่าพระเก่าไม่ว่าพระใหม่ เข้าไปคุยกันทําให้รบ ก, กวนคนอื่นเขา เ, เสียความสงบเสียประเพณเีไม่ใช่พระธุรงกรรมฐานถ้าเป็นลักษณะอย่า ง, งานั้นไปคุยที่นั่นไปคุยที่นี่ เ, เสียงดังสนั่นวันไว้ไปหมดไม่ได้แต่คณะหลวงพ่อเองหลวงพ่อยังมักพูดอยู่ที่ที่ศาลาที่หลังศ า, าลาหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็รักษากฎระเบียบเหมือนกัน เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกคณะรัตยา ญ, ญาติโยมูทุกหมู่เหล่า แล้วก็ บ, บางคนก็อยากจะรู้ว่าเอวัดของหลวงพ่อเนี่เนื้อที่กว้างเท่าไหร่ก็เนื้อที่ทั้งหมดพันสามร้อยกว่าไรนะ่นะพษะนัตถาญาติโยมกำแพงที่หลวงพ่อทำเนี่ยหกกิโลกับเจ็ดร้อยกว่าเมตรหลวงตามหาบัวท่านเป็นผู้ทากำแพงให้นะนวัดนี้เป็นวัดที้หลวงตาให้การสนับสนุนแต่เมื่อปีนี้ต้นปีเนี่ยหลวงพ่อก็ขอ ขึ้นโฉนดก็เป็นโฉนดทั้งแผ่นนะได้ทั้งแผ่นนะั่น่ะทั้งหมดพันสองร้อยกว่าไร่แต่พันสามร้อยคือหักหักเป็นลำลางหักเป็นลำลางแล้วก็หักเป็นป่าชา้าก็ยังเหลืออยู่เป็นที่ดินของวัดแท้ๆของมันพันสองร้อยกว่าไร่นี่แหละอันนี้เป็นโฉนดเรียบร้อยแล้วที่วัดของเรา เ, เพราะะฉนั้นลูกหลานคณะัต ย, ยาญาติโยงเข้าไปก็ไม่มีอะไรที่จะเป็น เครื่องโชอะไรนี่วไม่มีกุฏิวิหารก็มีฉาลาหลังนี้หลังเดียวน่นแหละที่พวกเราเห็นนี่วอันนี้แหละที่เป็นที่น่าดูที่สวยงามที่สุดในวัดของเราถ้าจะพูดถึงด้านวัตถุนะนอกนั้นก็ไม่มีมีแต่ป่าโรงพงไปกระตุกหลังกระต๊อบกระแตบไปเรื่อยล่ะอยู่ข้างในเพื่อให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติเพื่อภาวนาเราไมา่ได้นเน้นทางด้านวัตถุมาก เราเน้นทั้งเรื่องภาวนาเรื่องการอบรมแนะนำสัง่งสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเรื่องข้อวัดปฏิบัติํำหรับพระเนนภายในวัดเพราะนั้นในวัดของเราจึงไม่มีถาวนวัตถุที่หรูหราโออามีแต่ศาลาหลังนี้ศาลาหลังนี้ก็ใช้ได้ประโยชน์ทั้งทั้งโบสด้วยแทนโบสนะบวชพระอะไรทำสังฆกรรมได้ทุกอย่างในศาลาหลังนี้เพราะว่าเรามี หลักข้างหน้าเนี่ยส่ต้นที่พวกลูกหลานเห็นอันนั้นแหละคือเขตวิสุงคามพระราชฐานวิสุงคามสิมมาหลักมีหลักสิมมาเพราะนั้นศาลาหลังนี้ทำเอ่อทำประโยชน์เรียกว่าทำสังฆกรรมเทียบเท่ากับโบสถ์ที่เราเห็นจุ๋ยสวยงามๆอยู่ในเมืองทำแทนได้ทั้งหมดนแต่ของเราเนี่ยเป็นศาลาอเนกประสงค์เออจะมาพักผ่อนก็ได้ชั้นอาหารก็ได้ ขึ้นมาเทศนาว่าการที่ศาลาหลังนี้ก็ได้ถ้าไม่มีคนมากางค่ำกลางคืนพวกเราไม่มีที่นอนมานอนที่เอศาลาหลังนี้ก็ได้นี่แหละศาลาหลังนี้จึงว่าศาลาอเนกประสงค์เพราะฉะนั้นขอบอกกล่าวให้คณะจัตไทยญาติโยมมาจากถิ่นไกลได้รับรู้ ร, ร, รับทราบถ้าหลวงพ่อจะบรรยายมากกว่านี้เดี๋ยวพระสงฆ์ท่านจะไม่ได้ฉันจ้าหันเอาเพียงแค่นี้ก่อนนะวันนี้นะรับพรนะที่เนะ่า